ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โรโมโพธิาณกำลังนำเสนอเรื่องสมากมันตะคือการงานชอบหรือประพฤติชอบมาถึงข้อที่สามคือการเมสุมิชาจาราวรมณีแปลว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในทางกรรมพูดง่ายๆว่าประพฤติผิดในทางเพศ ศิคบาบส่วนใหญ่ก็จะปรากฏข้อความเป็นการเมเป็นไวแต่ในที่บางแห่งเช่นทรงแสดงแก่พระภิกษุสงก์กทรงใช้คำว่าอภรัรมภ์แต่ว่าในที่นี้จะพูดระดับการเมสุภิชาจารย์หรือการประพฤติผิดในทางเพศได้แก่การล่วงละเมิดในทางเพศเป็นอาการของกิเลสประเภทราคะที่แรง แล้วก็โมหะที่แรงเพราะนั้นถ้าเรามองถึงคําว่าประเวณีที่แปลว่าเชื้อสายนะครท่านทั้งหลาย ท, ที่ติดตามข่าวคราวในเรื่องราชวงศ์ในปานรือสองสกุลใหญ่คือสกุลรานากับสกุลซาเนี่ยที่ต่อสู้กันแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของสายเลือดอย่างแรงมาก จะมีการกีดกรรันดูถูกรุมมิดกันแล้วก็จบลงด้วยอย่างที่เป็นข่าวคราวกันเพราะันคำว่าประเวณีก็คือการทำลายการสืบเชื้อสายทำลายสกูลวงของคนเออเช่นสมมติว่า น, นายกันนายนางของนี่แต่งงานกันกิดเป็นสามีภรรยากัน ถ้านายคอมามีเพศสัมพันธ์กับนางนางนางคอแล้วก็ติดตามว่าก็เกิดตั้งขันโดยเจนว่าลูกคนนั้นในแง่ของสังคมในแง่ของประเพณีคนก็รับรู้กันว่าเป็นลูกคนนายคอแต่ว่าในแง่ของความจริงไม่ใช่มันเป็นลูกคนนายคอ แต่เด็กคนนั้นในที่สุดก็สืบเชื้อสายของนายก็กลายเป็นการทำลายเชื้อสายของเขามีสายเลือดอื่นมาปนปลอมมาปะปนกันอยู่ในแง่ของสังคมนั้นถ้าหากว่าไม่ถือเรื่องเหล่านี้รุนแรงเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเป็นเรื่องยากมาก พอถ้าเราไปมองดูองค์ธรรมที่พระเจ้าทรงสอนหน้าที่คนงสามีปัญญาในข้อที่สามนี่ใช้คาเหมือนกันคือหมายความว่าสามีจะต้องไม่นอกใจปัญญาปัญญาจะไม่ต้องต้องไม่นอกใจสามีแล้วก็อยู่ข้อก็อเดียวกันนะฮะคืออยู่ข้อสามด้วยกันเพราะเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นความสับสนในด้านสายเลือดในสมัยโบราณ น, นั้น การตรวจ d n เออะไรต่างๆเนี่ยคงจะตรวจกันไม่ได้นะเพราะฉันจึงมีการระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้แล้วไม่ต้องการให้คนเข้ามาทำลายเผ่าพันธุ์ได้ทำลายสายเลือดของตอนเองทำลายเชื้อสายของตอนเองถ้าเรามองดูโครงสร้างของสังคมโบราณหรือแม้แต่สังคมปัจจุบันเนี่ย มันก็มีความชัดเจนนะฮะเราจะลองสังเกตว่าอย่าราชวงศ์สั ก, กะยะาราชวงศ์โกริยะเนี่ยก็แต่งงานกันในเชื้อสายของตัวเองไม่ยอมให้เชื้อสายคนอื่นมาปะปนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องศักดิ์ศรีเกียรติยศมากใครจะไปล่วงละเมิดในทางเพศเนี่ยไม่ได้ อาจจะถึงค่าตัวตายไปเลยเพื่อหลีกหนีไอ้ความชั่วความผิดเหล่านั้นแล้วแนวความคิดเหล่านี้ถ้าเรามองดูในสังคมอารยันมันก็ซื้อต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งขราชวงศ์กศักกญาณเนี่ยเวลานี้ยังถืออย่างนั้นอยู่นะหมายความว่าต้องซื้อเชื้อสายกันในสายเลือดตัวเอง เลือดคนอื่นมาปะปนไม่ได้แล้วก็จนถึงระดับหนึ่งเนี่ยจะหมายความว่าไปคบชู้สู่ชายไม่ได้ทีถ้าถ้าเรามองในตัวพระวินัยหรือมองในแง่ของธรรมะเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือพูดเรื่องผู้ชายที่เป็นละเมิดผู้หญิงมีการจำแนกผู้หญิงไว้เป็นยี่สิบประเภท แล้วก็ผู้ชายสามารถล่วงเกินผู้หญิงเหล่านี้ในทางเพศได้มีอยู่เจ็ดหรือแปดประเภทเจ็ดประเภทนะฮะอีกสิบสามประเภทเนี่ยไปล่วงละเมิดไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการมีสุมิชฌาจารย์แต่ตินมองมองดูว่าทำไมจึงไปยอมรับในการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในเจ็ดประเภทแรกเพราะท่านเหล่านี้เป็นก็เรียกว่าเป็นสิทธิทส่วนตัว คือบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นเจ้าของเจ้าของประเวณีเองคือเจ้าสงเจ้าของเชื้อสายเองแต่ก็มีข้อมแม่นะฮะหมายความว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องไม่มีคู่ครองถ้าไปมีคู่ครองอยู่ก็ชื่อว่านอกใจปัญญา ทีนี้ไอ้การการนอกใจพัญญาถ้าถามว่าสมมติว่าคนเหล่านั้นเขามีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็มีลูกเนี่ยมันก็เป็นลูกคนไหนนั้นเนี่ยสมมติว่านายกอไปมีพัญญาไปนางขอแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับนายจอนางอะนางสอนางชองชอะไรต่ออะไรก็ตาม น, นั่นคงเป็นลูกคนนายกอเป็นลูกคนนายกออยู่แล้วก็เป็นลูกของบุคคลคนนั้น พ่นจึงมีข้อที่ควรสังเกตอีกข้อหนึ่งนะฮะแล้วก็ควรควรสังเกตไว้ว่าเราจึงพบว่าคนระดับระยะ บ, บุคคลก็มีพัญญาเยอะอย่างพระเจ้าพิมพิสารก็มีพระสนมมีพระเมสีหลายพระองค์แล้วกษัตริย์ในราชวงศ์ทั้งหลายหรือเช่นเช่นพระเจ้าอุเทนเนี่ยเราก็ชัดเจนว่าท่านมี ม, มีมีพระเมสีทั้งสามพระองค์เป็นอย่างน้อยนะฮะที่เราได้ได้ยินชื่อเนี่ย แล้วก็เป็นการได้เสียกันต่างกรรมต่างวรรคปัญหาตรงนั้นว่ามันเป็นกามเมหรือเปล่าคือเจ้าของแต่ละท่านเนี่ยพนางวสุรลตาก็ดีนางมาคันธิยาก็ดีนางสามาวดีก็ดีซึ่งเป็นพระชาญาของพระองค์เนี่ยแต่ละคนนั้นเป็นเจ้าของประเวณีก็อยู่ในหญิงเจ็ดประเภทแรกที่ท่านว่าไว้เนี่ยก็ทําให้ ไม่จัดเป็นการเมสอมิใช่อาจารย์ทีนี้พอพอว่าผู้หญิงเขามีคู่ครองและเย็นทันทีว่าทำลายเชื่อสายเขาทันทีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงสมมติว่าไปเกี่ยวข้องแต่ไม่ถึงก็มีรูปมีเต้ากันแต่ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในคู่ครองของบุคคลอื่นไม่ถึงก็ทำลายเชื่อสายหรอกแต่ว่าคนกระแวงสงสัยออกไป ผลคาสอนในเรื่องนี้ค่อนข้างละเมียดละไมมันเป็นปัญหาสังคมและเป็นปัญหาสังคมจิตวิทยาเป็นปัญหาการความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคคลภายในสกุลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ถเรามองดูย้อนไปสมัยพระเจ้าสมมุมติราชนะก่อนที่จะเกิดคำถามอกฎเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคก็จะลืมวาตรงนี้อยู่ในสีหานะฮะข้อ น, นี้ยังอยู่ในศีห้อยู่ ในศีลห้านั้นมันมีความเป็นมาชีดน้าศึกษาคือก่อนจะเกิดแต่ละสิกขาบทเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างที่ท่านเล่าไว้ในสมัยพระเจ้าส ม, มุติราชเนี่ยมันไม่ได้เกิดตามลำดับห้าสิกขาบทอย่างที่เรียงไว้รรหรอกปัญหาครั้งแรกมันเกิดข้ออธินาทานขึ้นมาก่อนคือไปลักขโมยข้าสาลีที่เกิดเองตามปกติแล้วก็จะไป เก็บเกลียวออกมาพอกินในแต่ละวันรุ่งเช้าข้าวสาลีเหล่านั้นก็งอกเหมือนเดิมต่อมาคนก็เริ่มจะขี้เกียจเลยก็กักตุนก็ต่างคนต่างกักตุนบางคนกลุ่มหนึ่งมันขี้เกียจมากกว่านั้นเห็นเพื่อนกักตุนมาแล้วตัวเองก็ไม่ต้องไปที่นาข้าวสาลีหรอกคือไปขโมยของเพื่อนพอขโมยของเพื่อนก็เกิดจับได้หลายทันขึ้นมา ปราชาก็าเรียกไปสอบถามเธอก็บอกว่าเธอไม่มีเธอไม่มีจะกินตอนงั้นก็เลยต้องไปลักกโมดเมื่อก่อนไม่ได้แก้ปัญหาอย่างเงี้ยเือแก้ปัญหาด้วยการให้โดยการแจกของให้พอแจกของให้เลยขโมยกันใหญ่เลยสนุกเลยทีเนี้ยกลายเป็นว่าแก้ปัญหาแล้วสร้างปัญหาตรงนี้เลยกลายเป็นกฎหมายลงโทษคนที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น ก็เกิดศีลข้อข้อที่สองขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วในศีลข้อที่สามเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าคือก็ผ้าผรไม่มีนะฮะคนยุคนั้นแล้วก็มองกันไปมองกันมาก็เกิดมีความต้องการในทางเพศขึ้นแล้วก็สมสู่กันแบบอย่างนั้นคนตั้งหลายก็เกิดรังเกียจก็คอนอีกก็หิดมาคว่างปากั็ไล่คือคล้ายๆกับเป็นการปฏิทุสลายคือมองเห็นว่าเป็นการปฏิทุสลายสัตว ตัวนี้ทําไมจึงปัทุสราสัตว์ตัวนี้เขก็ตั้งคำถามเด็กคว่างป่าปัทุสราแอไล่คนเหล่านี้จึงสร้างบ้านเพื่อปกปิดการกระทำเหล่านั้นเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบเป็นครัวทีนี้พอไปอยู่ในสถานที่นั้นการที่มีเพศสัมพันธ์จึงเรียกว่ากรรมที่ต้องทําในที่ลับกรรมของคนสองคนก็เรียกว่าเมถุนคือกรรมของคนคู่ ทีนี้ก็แน่นอนแหลไอ้คู่ครองจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนะฮะอาจจะเป็นที่ปพอใจของคนอื่นในสุดก็จะมีการล่วงละเมิดคู่ครองของคนอื่นสังคมไม่ยอมสังคมใช้วิธีการคว้างป่าเลยคว่างป่าหัวร่างข้างแตกกันไปเลยกระุมกันโอก็อนี่ก็อนหินนคว่างป่าพวกที่ประพฤติศีลข้อกาม เ, เนี่ยถูกถูกก้อนอีกก้อนหินคว่างป่าและในที่สุดมันก็กลายเป็นกฎ หรือห้ามขึ้นมาเป็นรูปของกฎหมายคือไปละเมิดในเรื่องของคู่ครองไม่ได้และในการต่อมาก็ยังมีคนทำํำยังไปละเมิดคู่ครองคนอื่นบ้างยังไปลักขโมยอยู่บ้างจับไม่ได้ไหลายไม่ท่านไม่มีหลักฐานพอที่จะลงโทษแก่นคนเหล่านั้นในสุดแกกโกหกโกหกก็ปัญหาเรื่องโกหกก็เกิดขึ้นก็เกิดผิดด้วยการโกหกนี่ก็ผิดด้วยที่นี้ แกก็ยังทําอ่ะนะะแกยังรักขมโมยอย่างไปล่วงเกินคู่ครองของบุคคลอื่นอยู่จับได้ไลยทันก็ยังโกหกพอมาคนก็เห็นข่าวแล้คนก็เห็นข้าวไ้คนนั้นไปทําอย่างนั้นคนนั้นไปลักขมโมยกันนั้นไปล่วงเกินคู่ครองของบุคคลอื่นก็ไปปูดเป็นข่าวขึ้นมาอันนี้ก็กลัวว่าจะถูกประชาชนจากสังคมก็เลยฆ่าฆ่าปิดบากก็กลายมาเป็นศีลข้อที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นเรื่งตรงนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ในสีข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่ากรร ม, มกิเลสและท่านฟังลองสังเกตว่ามันจะอยู่ในแวดวงในสี่ข้อเนี่ยตัวข้อที่หนึ่งที่จริงถ้าเราดูให้ดีก็คือชีวิตข้อที่สองก็คือเรื่องทรัพย์ทั้งทรัพยตรงนี้มีชีวิตก็ได้นะไม่มีชีวิตก็ได้ก็สั่งให้ริมาทรัพก็สังให้ริมาทรัพอย่างที่กล่าวไว้ในสีข้อที่สองเนี่ย สิ่งข้อที่สามถ้าในกรณีและเมื่อเรื่องอื่นก็ถือว่าเป็นชีวิตเช่นปทุสสาวะโศกต่อยทุบตีหยกขวดอะไรแต่อะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องชีวิตคือผิดสิ่ข้อที่หนึ่งแต่ในกรณีนี้พูดเฉพาะเรื่องไปมีเพศสัมพันธ์กันเท่านั้นจริงจะถือว่าเป็นการผิดสิ่ข้อที่สามเพราะฉะนนั้นคําว่ากามะในที่นี้หมายถึงเรื่องเพศเท่านั้นเฉพาะสี่นี้นะฮะหมายถึงเรื่องเพศแต่ไม่ได้หมายถึงเรื่องอื่น ถ้าเรื่องทรัพย์สินส่วนอื่นนอกจากเรื่องเพศจะอยู่ในศินข้อที่สองทั้งหมดก็อยู่ในข้ออธินาทานทั้งหมดทีนี้ผูุสาวาดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการพยายามปกป้องตัวเองหรือแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอื่นคนอื่นก็สูญเสียแต่คนโกหกนั้นบางทีก็ปลอดภัยนะฮะบางทีก็ได้แล้วแต่เป็นอาการของโลภะกับโมหะ มันเป็นปัญหาสังคมเราจะเห็นว่าไอ้ น, นี้ก็คือคนติดต่อกับคนในเองหมายความว่าชีวิตที่ติดต่อกับชีวิตสิ่งมีชีวิตติดต่อกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยทำไงจึงออกมาในทางที่ซื่อตรงต่อกันดังนั้นแนวศีลข้อที่สามท่านจึงใช้คาว่ากามเมแล้วก็จะมีการพัฒนาปนีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจะเห็นว่าพอศีลมันขึ้นไปถึงศีลศีลวุชศีลแปดศีลสิสบ ตลอดั้งศีพลพระเนี่ยในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ละแต่ที่จริงในภาคสนามนี่มีความยิ่งความหยอนคือศีลข้ออัพ ร, รัมเนี่ยมันมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เลยไม่เหมือนกับการเมกเมย์มีเพศสัมพันธ์ได้ก็คุกรองตัวเองไม่ปัญหาอะไรแล้วก็ยังไม่ผิดศีลอะไรแต่พอมาถึงอัพ ร, รัมเนี่ยคือมันมุ่งลดพวกการมาราคะ มุ่งควบคุมกรมการมราคะจนสยบหรือสงบกรมราคะเอาไว้พอมาถึงสีลข้ออพรำก็กลายเป็นการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ทีนี้การมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ศีมันก็เกิดเป็นเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอาคาริยวินัยวินัยของชาวบ้านวินัยของชาวบ้านก็อยู่ที่บ้านก็มีครอบมีครัวมีลูกมีหลานมีสามีพัญญาก็มีอยู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายน่ะบ้านมันก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย เพราะงั้นถ้ารักษาศีลสมหรับสาวบ้านเนี่ยจับต้องร่างกายกันได้จับต้องร่างกายกันได้บางครั้งบางคราวคุณตาคุณยายเนี่ยคือเคร่งเกินไปไปรักษาศีลข้อที่สามมาพอมาถึงบ้านลูกหลานเข้าใกล้ไม่ได้เลยตวาดแวดๆเลยเลยทำให้เด็กจิงชังศาสนามีความรู้สึกเอะคุณตาคุณยายเราเป็นยังไงในช้าก็ดีๆไปเนี่ย พอไปวัดมาในเข้าใกล้ยังไม่ได้เมื่อช้ายังอุ้มได้ยังถูกต้องได้อยู่ที่จริงไอเ น, นี้ยคือตามมามันยุ่งมันเป็นอาคาริยาพินัยวินยันยของผู้ครองเรือนมันไม่ใช่วินัยของของนักบวชแล้วก็ในกรณีของการรักษาสมมติเวะละเมิดแล้วเนี่ยฮะการรักษาแล้วแล้วยังไปละเมิดเนี่ยก็ต่อสินใหม่ได้คือไม่ว่ากันทีนี้มันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งสิ่งข้อเดียวกันเนี่ยนะมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง แต่อยู่ระดับอาภรณ์นะหมายความว่าเป็นพวกนักบวชก็มีภิกษุภิกษุณีสามนเณรสามนเณรีสิกขาณาเก้าห้าประเภทห้าประเภทมันก็แบ่งออกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ใหญเลยคือสามนเณรและสามเณรีนั้นถ้าไปล่วงละเมิดในทางเพศมีเพศสัมพันธ์พวกนังง้นมีเพศสัมพันธ์นีก็ขาดจากสามเณรสามนเณรี แต่ว่ามันเป็นนาสนังคะก็เาเรียกว่าทําให้สิ้พายไปพอเธอต้องการจะกลับเนื้อกับตัวเธอก็ขอสมาทานศีนใหม่ได้ก็หมายความว่าความเป็นสา ม, มนเณนรสามเณรีก็กลับคืนมาได้สิกขมานาเป็นบุคคลนี่ค่อนข้างพิเศษคือเป็นคนที่เตรียมจะบวชเป็นภิกษุณีรักษาศีลหกข้อแต่นั่นเองแต่ต้องเคร่งครัดไปผิดสักข้อเดียวไม่ได้ต้องนับหนึ่งใหม่เลย เพราว่าถ้าเกิดไปละเมิดในทางเพศขึ้นมาไปมีเพศสัมพันธ์อะไรขึ้นมาก็ถือว่าขาดจากสิกขามรรณ า, น, านับหนึ่งใหม่นะสมมติว่ารักษามาได้หนึ่งปีนะเกือบสองปียังเหลืออีกสองวันนะยังเหลืออีกวันเดียวก็ได้นะสมมติยังเหลืออีกวันเดียวนี่ยอท้าไปเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นต้องนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าภิกษุกับภิกษุณีเนี่ยไม่มีนั่นเลยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีเพศสัมพันธ์ ก็ขาดจากความเป็นพระเป็นภิกษุภิกษุณีในขณะที่อวัยวะเพศจดกันเท่านั้นเองนะเขาเขาเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ไปถือว่ามีเพศสัมพันธ์อย่างที่ชาวบ้านเขามีกันนะฮนะแต่ว่าขนาดอาวัยวะเพศจดกันเท่านั้นเองเขาถือว่าขาดจากความเป็นพระแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อที่ควรสังเกตเรื่องกรรมเรื่องกรรมกับเรื่องธรรมเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน คือคือมันไม่จำเป็นจะต้องไปมีโจทย์มีจำเลยมีอะไรต่ไรเวล่องนี้แม้ในแวดวงของพระเนี่ยเราจะเห็นว่าพระถูกโจทย์ประราชิกยเศรษฐเมธุนี่เอาขึ้นข้าวกดนิยกรรมนิยกรรมกับแมวอะไรเขาไม่ใช่พระอะไรเป็นนิยกรรมอะไรเขาได้คือมันขาดจากพระไปทันทีเลยนะฮะไม่ต้องไปนิยกรรมอะไรเราเรล่ลนี้มันก็เกิดความสับสน ถึงมันถึงคราวที่จะต้องถอยหลังเข้าไปหาพรบินไหนแล้วถึงแม้มันเละกันใหญ่เลยเ อ, อ๋อนอกเรื่องนอกราวไปนะฮะพระเนี่ยพระกับภิษุณีนะพิษุกับนภะิษุณีเนี่ยมันจะเหมือนกับเราจับไฟเราร้อนทันทีไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ต้องให้ใครมาโจดว่าอะคุณร้อนนะคุณเย็นนะย่างไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องโจดฮะร้อนทันทีเรากินข้าวถึงอิ่มเราก็อิ่มเองฮนะ มันไม่จําเป็นจะต้องมีใครบอกไม่ใครรายงานว่าเราอิ่มนั่นคือเรื่องกฎของกรรมกับเรื่องของวินัยของธรรมนะฮะของธรรมกับของกรรมเนะี่ยมีลักษณะอย่างเดียวกันพิกจุนียิงย่งยิ่งละเมิดละเมิดกว่านั้นพิจุนีขนาดว่าผู้ชายไปจับต้องเนะี่ยยินดีรับสัมผัสปรับป ร, รารถิกเลยเอาขนาดนั้นนะทีนี้ภิกษุเนี่ยถ้าผู้หญิงมาจับต้องและยินดีรับสัมผัสเนี่ยก็ปรับแค่อบัตดรองลงมา เครียดสังขาธิเศษต้องทรมานตนต้องอยู่กรรมต้องประจานตัวเองนะเวลาพอสมควรอย่างน้อยที่สุดถึงก็หกกระสีนะอย่างน้อยที่สุดตัวหกกสีแล้วก็แล้เนียเราใหม่ไปเรื่อยๆคือเราจะเห็นว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการบรรเทาการรมราคะในจิตใจของท่านที่ประพฤติผรม้มจรรันทร์ต้องการบรรเทาการรมราคะไปเรื่อยๆนะจนถึงกับอะไรล่ะ เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเนี่ยต่างกันนะฮะภิกษุสมมติภิกษุมีจิตกำหนัดจับต้องกายผู้หญิงโดยความต้องการทางเพศมีความรู้สึกทางเพศไม่ได้มีเพศสัมผันธ์นะฮะไปจัต้องกายเนี่ยถือว่าต้องอบัดสังขาธิเสศต้องประจานตนเองต้องอยู่กรรมต้องทรมานตัวเองนะแล้วก็เลยไปขนาดพูดเกี่ยวหญิงก็เราจะเห็นว่าจิตมันต้องมีการมาราคะในเกี่ยวหญิงเนี่ยก็ปรับบำบัดาทางขารทิเสศอีก แล้วก็พูดชักชวนหญิงในทางเพศอา้าขนาดว่าชักเสือผู้หญิงกับผู้ชายเป็นสามีภรรยากันหมายความว่าจิตปฏิสังยุตตยกรรมราคะแล้วเปล่งวาจาออกไปเนี่ยเป็นอวบัดหมดเลยเอาขนาดว่าไปเพ่งมอง เ, อเพจตรงกันข้ามในจิตกำหนัดเนี่ยปรับอวบัิทุกกฎ น, นีนั่นคือคือลำดับขั้นตอนของการประพฤติประพฤติวินัยในพระพุทธศาสนาเนี่ย เราจะเห็นว่าที่จริงมันก็พัฒนาไปจากศี่ข้อ น, นี้สี่งข้อ น, นี้เลยกลายเป็นเรื่องละเมียดละมิ่มากแล้วก็ยาวเหยียดนะฮะละเอียดลึกซึ้งมากจนถึงกับว่าพอใจยินดีสวนเสนห์กับผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะถ้าพิกษุณีก็พอใจคุยกับผู้หญิงอ่คุยกับผู้ชายพอใจคุยกันในขาดเลยทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าปัญหาในโลกียวิสัย เรือปัญหาในองศ์โลกชั้นกลาวมาว่าจาระภูมินี่ปัญหาเรื่องเพศเป็นปัญหาใหญ่มากเราดูตึ้งศึกสงครามที่เกิดขึ้นในวรรณคดีของเราลองสังเกตนะฮะเรื่องรามาเกียรติ์มันก็ไม่มีอะไรคือแย่งผู้หญิงกันเรื่องพระพยัยมณีก็แย่งผู้ชายกันเรื่องขุนช้างขุนแผนมันก็แย่งผู้ชญิงกันก็เป็นอย่างเงี้ยววรรณคดีประวัติศาสตร์อะไรอะไรไปลองดูเถอะ ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เรียงไว้ลำดับที่สามของศีลซึ่งหมายความว่าคนสามารถครองเรือนครองสุขได้แต่ว่าต้องบรรเทาการมราคะยานอกใจกันคติไทยเราก็ได้แสดงการยอมรับถึงความคิดในกระแสนี้นะเช่นวเสียทองถ้าหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใคร ก็หมายความวาสามีก็ไม่ยอมพัญญาก็ไม่ยอมปัญหาเลยกลายเป็นเรื่องที่เปราะบางแล้วทั้งทั้งที่เป็นเรื่องที่แปลกนะฮะว่าดินแดนบางส่วนเวลานี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องเพศหาประสบการณ์ทางเพศกันทางสาวๆมีเดทมีอะไรต่อะไรกันเนี่ยนะฮะแต่พอเริ่มแต่งงานแล้วนี่สรงนี้จะเข้มงวดมากจะเข้มงวดออกมากๆไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกาหรือกลุ่มสแกนดิเนเวียอะไรแต่ไรเนี่ย นั่นก็แสดงว่าเป็นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปของโลกทั้งปวงว่าปัญหา น, นี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็พร้อมจะสร้างความแตกแยกร้าฉานแล้วก็แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายทําลายล้างกันได้นะดังนั้นศีลข้อ น, นี้จึงมีรายละเอียดที่ที่จะต้องศึกษาในแง่มุมต่างๆมากพอสมควร ต, ตามปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยเอามาให้รายละเอียดกันนะฮะ จะให้รายละเอียดในที่นี้ก็พูดในแง่ธรรมะมากคือจะอธิบายในแง่ของธรรมะนว่าท่านแสดงว่ายังไงปริยายตรงไหนเป็นยังไงแล้วก็ต้องการอะไรการผิดศีลข้อนี้องค์ประกอบสั้นนิดเดียวนะฮะมีสามสามสามก็ถือว่าผิดศีลแล้วต้องฟังท่ายในร่มประภวตานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูรณาธรรม มีได้ท่านผู้ฟังงหลายโดยทั่วกันสวัสดี